ชายคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเขาก็เหตุผลนิดหน่อยว่าเนี่ยอะไรที่ไม่สุขเขาก็ไม่ทำแล้วเขาทำแต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเขาันนี้ก็เป็น เ็นเป็นนักสแสดงเคยเป็นดาราเคยเป็นนางแบบไนแบบ ก, ก็ดังในสมัยนั้นก็ว่าอย่างนะั้นว่าดังในสมัยนั้นก็คือศิลป์ปีมาและตอนนี้ก็เกือบสี่สิบละก็มาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศนะ์แล้วก็ทำธุรธกิจหลายอย่างก็อ่านบทสัมภาษณ์เขาดูก็ รือว่าเวลาที่เขาบอกว่าอะไรที่ไม่สุขก็ไม่ทําเนี่ยการทาที่ว่านี่ก็หมายถึงการเสพมากกว่านะเช่นเวลากินอาหารก็ต้องไปกินร้านอาหารที่ที่รู้ที่อร่อยอร่อยในนี่คือว่ามีระดับนะอย่างเขาบวกว่าเขาไปกินอาหารในร้านที่ติดดาวได้ดาวมิชลินเนี่ย ตาเวนไปกินนามที่ต่างๆหลายประเทศว่าเกินพันดาวแล้วดาวมิชลินี่หายากนะได้หนึ่งดาวนี่ก็ถือว่าโกแล้วสามดาวนี่ก็เรียกว่าอัศจรรย์นะบอกเขาได้เก็บสะสมดาวมาเกินพันนะจนกระทั้งเลิกนับแนละ้วเขาบอกเขาว่า ไปกินล้านอาหารนะเธอที่ได้ดาวมิชลินเ็หลายร้อยล้านนะถ้าร้านละหนึ่งดาวก็ประมาณพันพันร้านแนละเวลาไปเวลาไปพักตามโรงแรมก็ต้องพักโรงแรมห้าดาว5้าหรือหกดาวนะเขบอกซึ่งร่วมีหกดาวด้วยแต่ก่อนร่วมมีแค่ห้าดาวนี่มีหกดาวแล้ว เมืองไหนไม่มีโรงแรมห้าหกดาวนี้ก็ไม่ไปพักนะอันนี้มาถึงต่างประเทศเสื้อผ้าก็ต้องเป็นพวกของแบรนด์เนมราคาแพงหรูเดินทางด้วยเครื่องบินก็ต้องนั่งเฟนะิร <c oughs> ์สคลาสนันธุรกิจไม่นั่งนะเพราะว่ามันมันนอนไม่ได้นะต้องเฟิร์สคลาสไปเลยชั้นหนึ่งก็ไม่รู้เขาเอาเงินมากมายมาจากไหนนะ แต่ว่าอันนี้แหละคือความหมายที่ว่าถ้าอะไรที่ไม่สุขก็ไม่ทําแล้วก็ไอ้ทําเข้าคือว่ากินเที่ยวเสรหรือว่าแต่งตัวมากกว่าเราเคยพูดว่าเนี่ยอาหารที่ไม่อร่อยนี่ไม่ควรมีในโลกนะอาหารนี่มันต้องอร่อยและอร่อยของเขาก็ต้องเป็นในร้านที่มัน มีระดับนะก็ดูก็น่าจะมีความสุขนะเพราะว่ากินของดีๆนอนโรงแรมแพงๆใส่เสื้อหรูๆแต่ว่ามันก็น่าสงสัยว่าจะมีความสุขไปตลอดได้อย่างไรเพราะว่าเวลาเจอโรงแรมสามดาวก็นอนก็ไม่สุขแล้ว นอนไม่ได้แนะล้วสังดาวเจอร้านอาหารแมนะ่จะติดดาวมิชลินแต่ว่าไม่ถูกปากเขาก็ไม่ชอบในบทสัมภาษณ์ก็พูดถึงว่าเนี่ยร้านพวกเนี่ยดังๆเนี่ยติดดาวได้ดาวมิชลินแม่หลายก็มีแม่หลายก็เราเขาคือไม่สุขนะคือคนที่ดูแลนี่เขาก็มีเงื่อนไขกับตัวเองเยอะมากนะ มีเงื่อนไขกับตัวเองก็คือว่าต้องไปนอนโรงแรมที่ห้าหกดาวกินอาหารที่ดูอร่อยคนที่มีเงื่อนไขกับตัวเองม า, มากๆนี่มันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะว่าไอ้เงื่อนไขของตัวเองก็เป็นมาตรฐานที่สูงซะด้วยแล้วมันจะมี จะไปเจอที่ทีมันมีมาตรฐานสูงๆได้ทุกทุกที่ได้อย่างไรในบทสัมภาษณ์เขาก็าพูดถึงความไม่พอใจของเขาเวลาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เจอของไม่อร่อยเจอโรงแรมที่มันห้องมันแคบัวไปเขาก็เจอทุกอยู่เรื่อยๆนะแต่เขาจะไม่สังเกต อขาจะรู้สุกว่าเนี่ยเขามีแต่ความสุขจึงก็บอกว่าผมมั่นใจว่าผมสุขที่เป็นคนไม่มีความสุขที่สุดในโลกอันนี้เราเป็นความเป็นความหลงแบบหนึ่งเพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเขาหรือว่าปรากฏกับเขาอยู่เรื่อยๆแต่เขาไม่มองไม่สังเกตแในที่จริงความทุกขก็ติด ตัวเขาไปตลอดเวลาเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่แสดงอาการแต่มันก็คงเริ่มเปอย่างขาเขาแล้ละเพราะว่าคนที่สนใจเสื้อผ้านหน้าผมเนี่ยอย่างเขาอายุพอใกล้ส0สิบมันก็เริ่มความชราก็เริ่มปรากฏเรียวแรงก็กำลังวังชาก็เริ่มน้อยลงแล้วก็จะพบว้ความสุขที่เขา ที่เขามีนี่มันมันไม่เที่ยงความสุขที่เขาได้เสด็จนี่มันก็เป็นของโชคคราวที่จริงการที่เขาจะมีเงินมีทองมาหาความสุขแบบนี้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องทํางานหาเงินก็ต้องเหนื่อยจะเที่ยวตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องทํามาหากิน ต้องมาเจอสิ่งที่ผัด อ, อกขัดใจในเวลาทา ร, รายการหรือว่าเวลาบริหารธุรกิจต้องเจอลูกน้องต้องเจอผู้ลงงานที่ไม่ถูกใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาต้องเจอเพราะว่าม่งานไม่มีเงินมากๆไปไปหล่อเลี้ยงชีวิตแบบวิถีชีวิตแบบอู้ฟู่แบบนั้นแต่เขาก็ยังไม่ไม่ตระหนักนะ ว่าชีวิเขานี่มันก็มีความทุกเกิดขึ้นเขาตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งข้างหน้านี้ยิ่งต้องเจอมากขึ้นเพราะว่าความแก่ชราก็ดีความเจ็บความป่วยก็ดีความพัดพลาดสูญเสียก็ดีมันมันรออยู่แล้วก็หรือเีืย่องนคือคือว่ามันทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆ สติฟังดูเขารู้จักแต่ความสุขประเภทเดียวนะความสุขที่เกิดจากการเสพความสุขที่เกิดจากการมีการได้ไม่รู้จักความสุขที่เกิดจากการสลักความสุขที่เขรู้จักเป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีสิ่งเร้าสิ่งเร้าทางตาทางทางลิ้นหรือสิ่งเร้าทางกายทางหูด้ยมั้งต้องฟังเพลงที่มัน เป็นไพเราะในความสุขที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนะมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะคือความสุขที่เกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่ไพเราะดูหนังที่มันตื่นเต้นได้เจอสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเวลา ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไม่พวกนี้เป็นเรื่องการเราจริตกระตุ้นใจทั้งนั้นเลยจริงแต่ว่ามันเราในระดับที่แตกต่างกันอย่างเด็กๆนี่ก็อาจจะชอบสิ่งเร้าที่มันชัดๆนะหรือว่าสิ่งเราที่มันเป็นแบบง่ายๆเช่นการ์ตูนของหวานอะไรเงี้นะพอตโตขึ้มนมาหน่อยนะมี รถสิ่งนิยมเรามีละไม่มากขึ้นสิ่งล้อมก็ละเมียดละไมในความหมายที่ว่ามีความซับซ้อนต่างกันแต่ก็ยังเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของการเร้าจิตกระตุ้นใจตอนหลังอาจจะพอได้เสร็จมากๆ ก, ก็ชอบเบื่อแล้วอยากจะไปทําอะไรที่มันตื่นเต้นมากขึ้นเช่นขี่รถสิ่งขับรถแข่ง หรือว่าปีนเขาปีนเขาโดยที่ใช้มือเปล่ามัวก็มีนรกว่าแฟชั่นนะปีนเขาด้วยมือเปล่าเสี่ยงตายแล้วมันก็เป็นความตื่นเต้นสำหรับเขาหรือว่าหรือไม่ก็ปีนเขาเดินไปเขาสูงสูงไปตอนนี้ก็นิยมกันนะไป e.b.c. นะ e.b.c. ก็ Everest Base Camp ก็เป็นแคมที่เป็นปีนเขาหิมาเอเวอร์ถ้ามีปัญญาไปถึงเขาจอยเขา Everest ก็ไปนะแต่ไม่มีปัญญาก็ไปแค่ปีนเขาก็แล้วกันก็เป็นความปืิดเต้อีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันอากาศหนาวเป็นที่สูงแล้วก็ทัศนียภาพเวิ้งวาง น, นี่คือความสุขที่ผู้คนแสวงหามันเป็นลักษณะการที่ต้องมีสิ่งเล้าสิ่งเร่าทางตาหูจมูกลิ้นกายคนส่วนให ญ, ญ่ไม่รู้มันมีความสุขประเภทหนึ่งความสุขที่เกิดจากใจที่สงบมันตรงข้ามความสุขประเภทแรกความสุขประเภทนี้จิตมันถูกเรล่าเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกยิ่งยิ่งเป็นความสุขโดยเพราะทางเพศนี่มันเป็นเรื่องการเร่ามามการเร้าทางตา การเราทางกายแต่ว่าอีกอันมาสู่ประเภทหนึ่งมันเป็นเรื่องของตรงข้ามเลยผลทางคือว่าสงบยิ่งสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเช่นการได้ไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงดัดหลายคนก็ชอบแบบนั้นเพราะว่ามันให้ความสุขที่ละเมียดละไม หรือถ้าฟังเพลงเนเพลงที่สงบสงบนะมันเพลงที่ไม่ต้องมีโน้ตมากนะแต่ว่ามันค่อยๆกล่อมใจให้ให้ให้นิ่งลงนิ่งลงนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักความสุปรภาพนี้ซึ่งเป็นความสุขที่ะละเมอระไมมากกว่าฝันดีมากกว่าอี่ยงผู้ชายคนที่ว่านี่นะชื่อเขาชื่อเกลือไกรมั้ง ก็ความสวงเข้ามันก็มีในเรื่องการเสษทั้งนั้นเลยเราก็ต้องไล่ตามค่านิยมความสุขที่เกิดจากความสงบนะอันนี้นี่มันมันไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะเพราะว่าอยู่ที่ไหนมันก็สงบได้ แต่ใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะที่ว่าสมัยนี้เพราะว่าไอ้ที่สงบสงัดมันหายยากแล้วอยู่ในเมืองก็มีแต่เสียงกระทึกอยู่ในบ้านติดแอร์ไม่มีเสียงจากข้างนอกเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่มีความสงบนะเพราะว่ามันก็มีข้อมูลข่าวสาร ผ่านเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือผ่านเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาทางคอมพิวเตอร์ก็ทำให้คนไม่สงบออไปแบบหนึ่งถึงแม้ไม่มีเสียงดังจากข้างนอกแต่ว่ามันมีสิ่งที่มากระทบใจทำให้กระเพื่อม น, นหลายคนก็ก็ต้องพยายามหลีกหนีออกนะออกห่างจากสิ่งที่จะมาทาให้ใจกระเพื่อม แล้วก็แค่เดียวกันก็ไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกก็ต้องพากันไปออกชนบทไปอยู่ป่าไปข้างแรมในรีสอร์ทริมทะเลหรือว่าในที่ที่กไกลๆมาวัด ก, ก็มีเยอะ ไอ้พวนี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะแล้วก็หลายแห่งก็แพงซะด้วยความสงบเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องที่ที่ต้องใช้เงินแต่นั่นเป็นความสงบนะจากสิ่งแวดล้อมเป็นความสงบทางกายภาพที่จริงเนี่ยถ้ารู้จักหาความสงบที่ใจนะถึงแม้ว่าอยู่ที่ไหนมันก็สงบ อยู่ที่ไหนก็สงบได้ถ้าว่ารู้จักพบหรือว่าทําใจให้สงบนี่เป็นความสงบที่ไม่มีเงื่อนไขามากคนส่วนใหญ่นี่รู้แล้วน่ะคนจํานวนมากไม่มีคนจำน ว, น ม, า ม, นำนวนมากคนจํานวนหนึ่งรู้แล้วนะว่าความสงบนี่มันดีกว่าความสุขที่เกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจนะแต่ว่า ก็ยังต้องอาศัยสิ่งแวดลอ้อมต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งสถานที่ที่มันไม่มีเสียงรบกวนแต่มาถึงแล้วจิตก็อาจจะยังกระเพื่อมอยู่ก็ได้เพราะว่าชิงโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ต้องเปิดดูโทรศัพท์เปิดดูข้อความเปิดดู l ล n e เปิดดูเฟซบุ๊กใจก็ะเพื่อมอีก ก็ต้องไปที่ที่มันไม่มีสัญญาณแต่พอไปถึงก็กระสับกระส่ายแบบหนึ่งอยากจะรู้เรื่องราวของครอบครัวว่าเป็นอย่างไรอยากจะติดต่อพูดคุยโทรศัพท์กับเขาอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ใจก็ว้าวุาว่นอีกเพราะว่ามันเสพติดเสพติดข้อมูลข่าวสารเสรจติดพวกเทคโนโลยี ที่นี่ความสุขของผู้คนมันกลายเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะหาความสงบใจก็ยังไม่เจอเพราะว่ามันเป็นความสงบที่ยังมีเงื่อนไขเยอะหรือต้องอาศัยสิ่ง ล, ลอง้อมแต่ถ้าเกิดว่าเรานะรู้จักหาความสงบที่ใจหรือว่ารู้จักทำใจให้สงบนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม ไอ้ความสุขก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นคนทุกวันนี้ก็ยังยังยังต้องอาศัยเงื่อนไขมากมายนะเป็นเงื่อนไขจากสิ่งแวดล้อมจะเป็นสถานที่หรือว่าผู้คนก็ตามแต่สงบได้ก็ต้องไปที่นั่นไปที่นี่หรือจะสงบได้ก็ต่อเมื่อผู้คนแวดล้อม พูดดีทำดีกับเราไม่ทำอะไรขัดใจเราหรือว่าช่วยบริการช่วยรับใช้เราในความสงบแบบนี้มันยังเป็นความสงบที่มีเงื่อนไขามากแล้วก็ไม่ใช่เป็นความสงบที่แท้ต่อเมื่อเรารู้จักนะทำใจให้สงบได้ ด้วยตัวของเราเองนี่เลยมันถึงจะมีความสุขได้ง่ายและถึงสามารถจะพูดอย่างมั่นใจว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าทำอะไรก็มีความสุขเป็นความสุขไม่ใช่เพราะเกิดจากสิ่งเรอะเพราะเกิดจากสิ่งเสียแต่เพราะว่าใจมันสงบในมีอาจารย์คนหนึ่ง วิจ า, จารย์คนหนึ่งสมัยส0่สิบปีที่แล้วเคยมาเคยเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาแล้ววันหนึ่งทำอะลรๆก็ติดต่อมาบอกว่าขอให้ช่วยเป็นอุปถาพระธิเบต ร, รุ่มหนึ่งได้ไหมเห็นเป็นคนเอเชียด้วยกันประมัยนั้นพระธิเบตุม่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนอเมริกันหรือคนฝรั่ง ดันั้นทาราลามะก็ยังไม่ค่อยดังมากสี่สิบปีที่แล้วไม่เหมือนสมัยนี้ตอนเดือนนี้ น, นี่ร้านหนังสือใหญ่ๆหรือว่าแม้กระทั่งแผงร้านหนังสือตามสนามบินก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับทิเบตพุทธศาสนาทิเบตหนังสือของทาราลามะหรือว่าพระทิเบตนี่ที่แยะไปหมดแต่สมัยก่อนนี่ยังไม่ถึงขนาด น, นั้น เขก็ม่รู้วิธีต้อนรับพระธิดาก็ให้เห็นว่าเป็นคนไทยเอเชียด้วยกันนะักศึกษาคนนี้ก็เลยก็เลยรับเป็นอุปถากให้ถึงแม้เป็นชาวคริสต์แต่ว่าก็ใจกว้างก็อยู่กับพระธิดาสามสี่นะวันก็ประทับใจนะท่านเป็นคนที่สงบแต่ว่าเป็นคนที่สดชื่นเนะเรียกว่าเบิก บ, บาน พอมาสุดท้ายเนี่ยก่อนจะกลับก็นักศึกษาก็ถามพระทิเบตว่าเนี่ยถ้าผมเรียนจบแล้วขอจะไปอยู่วัดท่านใดไหมพระทิเบตก็ถามว่าได้แต่ก็ถามว่าทําไมล่ะนักศึกษาก็บอกว่าอยากจะไปหาความสงบที่นั่นอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยมันไม่ค่อยสงบ พาธิเบตก็ตอบว่าเนี่ยถ้าคุณหาความสงบที่กรุงเทพไม่ได้นะไปวัดอาตมา ก, ก็ไม่เจอเหมือนกันความพูดนี้ทำให้นักศึกษาได้คิดเลยนะพอเรียนจบปริญญาเอกกลับมาเมืองไทยก็ก็เลยอยู่กรุงเทพ เ, เป็นอาจารย์สอนที่จุฬาก็ไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปหาพาธิเบตอย่างที่เคยคิด ไอเป็นเพราะว่ารู้ว่าความสงบนี่มันมันไม่ได้อยู่สถานที่นะหรือกุยยันก็คือเรความสง ม, มอยู่ทุกที่กรุงเทพก็มีความสงบให้ให้สัมผัสได้มันไม่ใช่เป็นความสงบจากสิ่งแวดล้อมนะแต่มันเป็นความสงบที่ใจมากกว่าแล้วความสงบที่ใจก็เกิดขึ้ น, นจากการที่มี สมาธินสมาธินี่ก็ทำให้ใจสงบได้เือพอเวลาปิดตานะอยู่ในห้องแอร์ไม่รับรู้อะไรใจก็ยิ่งสงบเร็วแต่ออกมาข้างนอกเจอเสียงเจอผู้คนก็อาจจะว้าวุ่นใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันยังเป็นความสงบที่มันไม่ไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ เป็นความสงบที่มีเงื่อนไขยเยอะแต่ถ้ารู้จักทำสมาธิในทุกที่นะมันก็สงบได้นะอยู่บนรถเมล์หรือว่าอยู่ในที่ทำงานรู้จักทำให้ใจสงบก็เป็นไปได้ความสงบอุญญาเกิดจากการที่มีสติรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ เวลาใจกับเพื่อมก็รูวใจกับเพื่อมเวลาหนุดหงิดก็รัวใจหนุดหงิดธรรมชาติของใจเนี่พอมันถูกรู้เนี่ยด้วยสติเนี่ยอารมณ์ที่มันถูกรู้ด้วยสติมันก็จะก็จะสงบลงมันก็จะสงบลงเพราะว่าที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยเนื่องจาก เผลอไปหรือเนื่องจากไปแบกนะพูดง่ายแบกแบกโดยไม่รู้ตัวอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยขันธะเป็นของหนักเนื้อการแบกบคือของหนักเป็นความพึ่งในโลกของหนักนี่มันไม่ใช่เป็นของหนักที่เป็นวัตถุสิ่งของเท่านั้นนะของหนักที่มันเป็นอารมณ์ก็ได้มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไปแบกมันก็กทุกข์ และที่แบกบเพราะไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวเนยะแต่พอมีสเติปุ๊บเนี่ยความลืมตัวมันหายมันก็เลิกแบกบมันก็วางมันก็วางเท่านั้นแหละอารมณ์เนี่ยถ้าไม่แบกบมันมันก็มันก็ไม่ทำให้เกิดความทุกขนะ์ ใจที่ว้าวุ่นพราะมีความคิดและอารมณ์มารบกวนนี่ mm hmm. ก็เพียงแต่มีสติรู้ทันมันก็ทำให้ดับไปได้ไม่ต้องไปกดข่มมัน mm hmm. เคยมีคนถามหลวงปูด่ดูลว่าหลวงปู่ทำไมตัดความกดให้ขาดท่านตอบว่าไม่มีใครตัด ความโกรธให้ขาดได้รอกนะมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองอะไรดับก็คือความโกรธดับดับไปเองที่จริงคือว่ามันก็คือวางมันนั่นวางมันลงนั่นแหละพอวางมันลงมก็หายไปหรือไม่ปรุงแต่งต่อมันก็ดับไปเองเมื่อตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยใจก็ปรุงแต่งไปเรื่อย พอเราเจนพอเราพูถึงใครบางคนแล้วก็เกิดความไม่พอใจความรู้สึงเข้าต่อไปเรื่อยๆก็ไปขุดคุยความไม่ดีของเขามามันก็ยิ่งยิ่งทําให้ความไม่พอใจลุกลามมากขึ้นจากไม่พอใจจากความขุ่นเคืองกลายเป็นความโกรธเพราะว่าคิดหมกมุ่นอยู่กับคนคนนั้นหรืออยู่กับกับการกระทําของเขา การทคิดคิดคิดเนี่ยมันทุกข์นะแต่ว่าทุกข์ก็ยังคิดอันนี้เพราะอะไรเพราะลืมตัวแต่พอ ร, รู้ตัวปุ๊บนี่มันมันก็หยุดคิดเลยนะอารมณ์มันก็หายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้เมื่อมีความคิดอย่างตอนนี้จะบอกให้โกรธเนี่ยจะบอกให้โกรธนี่แล้วก็คงโกรธไม่ได้นะ ก็ยังไม่ได้คิดถึงใครบางคนเรือนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้ไม่พอใจจะโกรธได้นี่มันต้องคิดก่อนนะคิดถึงคนบางคนที่ทำให้เราไม่พอใจพอคิดแล้วเนี่ยมันกค่อยเริ่มแล้วเริ่มขุนมัวนะคิดต่อไปคิดต่อไปก็ความขุนมัวก็เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นความไม่พอใจคิดไปอีกคิดไปอีกก็กลายเป็นความโกรธไปเลย มันต้องมีจุดสตาร์ทนะจุดเริ่มต้นนะความโกรธนี่ไม่ใช่ว่าจะว่าให้โกรธนี่ยเกิดโกรธได้ทันทีมันไม่ใช่แบบกดปุ๊บติดปับนะ๊บเนาะมันต้องมีการปรุงแต่งมันต้อมีการปรุงแต่งด้วยการคิดย้อนหลลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตถึงจะค่อยโกรธได้ความโกรธไม่ใช่ตัวตนก็เพเห็นนี่แหละคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุมีปัจจัย นี่ถอะว่าเราเรามีสติเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เผิคิดปุุงแต่งไปในความโกลมก็มันก็ไม่มีเหตุพอมันไม่ไม่มีเหตุมันก็ดับไปเมื่อดับไปความสงบก็เกิดขึ้นกับใจหรือเรียกว่าความสงบกลับมาก็ได้นี่ก็สงบเพราะมีสติ ซึ่งสติตัวนี้เนี่ยมันเราสามารถจะใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าเรารู้จักมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์เราก็ทําให้ใจเราสงบได้อันนี้เราสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้คือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ซึ่งเป็นตัวทำให้ใจเนี่ยไม่สงบพอรู้ทันมันมันก็ดับไปเองความสงบก็กลับมาอยู่กรุงเทพก็สงบได้อยู่ที่ไหนก็สงบได้อันนี้คือสิ่งที่พระทีเบสทานน่านอาจจะอยากจะบอกอาจารย์คนนั้นสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาความสงบใจที่คนส่วนใหญ่ คิดถึงเนี่ยนะมันเป็นความสงบเพราะไม่รู้เช่ต้องมาอยู่วัดนะจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงหรือกระ ท, ทึกคึกโครไม่ต้องไม่ต้องจะได้ไม่ต้องยินได้ยินเสียงบ่นของคนในบ้านจะได้ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องพ่อเรื่องแม่ที่อชอบทะเลาะเบาแวงกันแต่สงบได้ต้องออกไป ที่ไม่ต้องไปรับรู้อะไรหรือถ้าอยู่บ้านก็ต้องอยู่ในห้องพระไม่ต้องรับรู้อะไรปิดโทรศัพท์หรือว่าปิดโทรทัศน์พอไม่รับรู้มันก็สงบได้ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงความสุขได้แต่ว่ามันจะเป็นความสงบที่ยังมีเงื่อนไขเยอะ คือต้อ ง, ต, องต้องไม่มีอะไรมากระทบตาไ ม, ม่ต้องมีอะไรมากระทบหูก็ต้องหลีกออกไปอย่างที่ที่ที่มันไม่มีสิ่งมารบกวนแต่ที่เราพยายามทำให้ความสงบใจเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขให้น้อยที่สุดก็คือไม่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมมากแต่ว่าอาศัยใจของเราเอง การเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิถีสู่ความสงบที่สำคัญมากและยิ่งถ้าสตินี่มันมันนำเราใช้จงเราใช้เพื่อให้เกิดปัญญาก็คือใช้สติดูกายและใจจนกทั้งเห็นความจริงของกายและใจเรียกว่าสัจธรรมนั่นแหละนะอริจังทุกขังอนัตตา จนกมาทั่งใจมันมันยอมมันยอมรับนะว่าเออไม่มีอะไรที่ที่ยังไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริงใจมันยอมลงให้กับสัจธรรมความจริงที่ปรากฏหรือที่แสดงออกมาทางกายและใจทางรูปและนามพอใจย์มันยอมลงให้ยอมรับความจริงปัญญาก็เกิดที่พอปัญญาเกิดแล้วเนี่ย มันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นหรือว่าถึงใจยึดก็ยังก็ยึดแบบเบาๆมันก็เกิดความสงบได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไอ้ที่ทุกข์ใจเข้าไปไปแบกเอาไว้แล้วที่แบกเข้าไปคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนมันแบกเอาไว้แบกเราบอกของกูของกูของกูองกไอการแบกของ ของคนเราเนี่ก็แบบเพราะว่าไปเชื่อเป็นของกูของกูอันจะมีตัวกูของกูอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอของการแบกบก็คือยึดมั่นถือมั่วเป็นตัวกูของกูแต่ถ้ามีปัญญาเห็นความจริงมันก็ไม่ ม, ไ ม, มันก็ไม่แบกแล้วพอไม่แบกก็เบาเบาก็สบายก็เรียกว่าเป็นความสงบแบบนึงมีแรงมากระทบ กับทรัพย์สมบัติก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้ยึดมันถือมาเป็นของกูมีแรมาผากระทบกายก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดมันมากายที่เป็นกูเป็นของกูใครมาดาว่าแล้วก็ไม่กระเทือนเพราะว่าไม่รู้สึกว่าเขาด่ากูมันไม่มีตัวกูเป็นผู้รับคําด่าไม่ต้องชูตัวกูขึ้นมารับคําด่ามันก็ เพรมัไม่มีนั่นใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็ไม่ทุกข์อันนี้สุดเป็นวส่สงบได้ด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญาเห็นความจริงแต่ใหม่ๆก็อาศัยสติก่อนสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้รู้ทันความคิดและอารมณ์มันก็สงบเฉพาะคราวนะพอรู้ทันมันก็ดับไปพอไม่รู้ทันเปลือกคิดใหม่มันก็ว้าวุ่นใหม่ แต่ก็ยังดีที่ยังสามารถที่จะสงบได้เป็นคราวๆเดีกวก่าจะมีปัญญานีะ่มันจะรื้อถอนร่างกาของความว้าวุ่นหรือความทุกข์ใจได้มันจะสงบอย่างยั่งยืนให้เรารู้จั ก, กความความสุขประเภทนี้บ้างนะความสุขที่เกิดจากใจที่สงบเดีย๋ยวไป รู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจหรือว่าเกิดจากสิ่งเราทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเท่านั้นไม่รู้จักความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ค่อยๆนะค่อยหาวิธีที่จะทําให้ใจสงบจากเดิมต้องอาศัยสิ่งรอบล้อมต้องอาศัยบรรยากาศมาสู่การที่สงบได้เพราะใจ ก็มีสติพอ ร, รู้จักทำใจรู้จักรู้ทันใจรู้จักทำใจแล้วก็รู้เท่าทันใจเนีรวมทั้งรู้เท่าทันสิ่งรอบตัวรู้ทันความจริงของชีวิตและโลกรู้ว่าลาบเสื่อมลาบ ของคู่กันได้เล่าเสริมรล่าของคู่กันได้ยกกระเสริมยของคู่กันสุขกับทุกของคู่กันขึ้นกับลงของคู่กันเจอแล้วก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพรากมีแล้วก็ต้องหมดถ้าเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยเวลามีก็ไม่ได้ยินดีมากเวลาหมดก็ไม่ได้ยินร้ายเวลาเจอก็ไม่ได้ไม่ได้สุข เวลาจากก็ไม่ได้ทุกข์อันนี้แหละคือความสงบใจนะที่มันไม่ที่มันรู้เท่าทันที่เกิดการณ์รู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตและโลกอันนี้ก็เป็นเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกซึ่งทําให้ใจนี้สงบได้ ฟูยังอย่าไม่สงบนะยินดีก็ยังไม่สงบนะไม่ต้องพูดถึงยินไายหรือว่าฟแฟดแล้เมื่อใจเป็นปกติแล้ถึงจะสงบได้แท้จริงชาติพูทธันท น, นีนะกลับ